170ยาคุมทุโครกานุชาณานาว่าด้วยทรงอนุญาตเข้าต้มและขนมหวานเรื่องพรามคอยโอกาสถวายพัตตาหาร282ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะกรุงพาราณสีตามพระอัธยาศัยแล้ว สเสด็จาริกไปทางอันทกะวินทะชนบทพร้อมภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จำนวนหนึ่งรูปสมัยนั้นชาวชนบทบรรทุกเกลือน้ำมันข้าวสารของเคี้ยวเป็นอันมากมาในเกวียนเดินตามภิกษุสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานด้วยตั้งใจว่า เมื่อมีโอกาสพวกเราจะทำพัตตาหารถวายมีคนกินเดนอีกห้าร้อยคนติดตามไปด้วยครั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปตามลำดับจนถึงอันทะวินทะชนบทครั้งนั้นพรามคนหนึ่งเมื่อไม่ได้โอกาสได้มีความคิดดังนี้ว่าเราเดินตามภิกษุสงฆ์ ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมากว่าสองเดือนแล้วด้วยตั้งใจว่าจะทำพระตาหารถวายเมื่อได้โอกาสแต่ก็หาโอกาสไม่ได้เราตัวคนเดียวและยังเสียประโยชน์ทางขราวาดไปมากอยากระนั้นเลยเราเพิ่งตรวจ ด, ดูโรงอาหารสิ่งใดยังไม่มีในโรงอาหารจัดเตรียมสิ่งนั้นถวาย แล้วตรวจดูโรงอาหารไม่เห็นของสองอย่างคือข้าวต้มและขนมหวานจึงเข้าไปหาท่านพระอานนท์แล้วได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านอานนท์ขอโอกาสเถิดกระผมเมื่อไม่ได้โอกาสจึงได้มีความคิดดังนี้ว่า เราเดินตามภิกษุสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมากว่าสองเดือนแล้วด้วยตั้งใจว่าจะทำพัตตาหารถวายเมื่อได้โอกาสแต่ก็หาโอกาสไม่ได้เราตัวคนเดียวและยังเสียประโยชน์ทางขราวาดไปมากอยากกระนั้นเลยเราเพิ่งตรวจ ด, ดูโรงอาหารสิ่งใดยังไม่มีในโรงอาหาร จัดเตรียมสิ่งนั้นถวายท่าน อ, น, อนุนกระผมนั้นตรวจดูโรงอาหารไม่เห็นของสองอย่างคือข้าวต้มและขนมหวานท่าน อ, น, อนุนถ้ากระผมจัดเตรียมข้าวต้มและขนมหวานพระโคโดมผู้เจริญจะทรงรับหรือท่านพระอนุนตอบว่าพราหมถ้าเช่นนั้น อาตมาจะกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคแล้วนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์จงจัดเตรียมถวายเถิดท่านพระอานนท์บอกพราหมณ์ว่าท่านจัดเตรียมได้เมื่อผ่านราตรีนั้นไปพราหมณ์ จัดเตรียมข้าวต้มและขนมหวานเป็นจำนวนมากแล้วน้อมเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคว่าขอพระโคดมผู้เจริญโปรดรับข้าวต้มและขนมหวานของข้าพระองค์เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพรหมามถ้าอย่างนั้นท่านจงถวายแก่ภิกษุทั้งหลาย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 กระทั่งพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จทรงห้ามพัดแล้วล้างพระหัตถ์แล้วละพระหัตถ์จากบาทจึงได้นั่งเฝ้าอยู่ณที่สมควร